ขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยดูโยมว่าปฏิบัติถูกทางและอย่างถูกนะถูกแต่ตอนนี้โยมยังไปหยิบใหม่เข้าใช่ไหมมันก็เลยเกินจริงมันไปประคับประคองไว้ที่โยมฝึกอยู่ใช่ได้แล้วนะดีแล้วฝึกต่อไปจิตเคลื่อนไปแล้วรู้สึกจิตเคลื่อนไปแล้วรู้สึกรู้สึกอย่างนี้เรื่อยนะไม่เลิกการภาวนาเราถือว่าเราปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า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 งั uh ้นถ้าเราคอยดูไปด้วยนะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกดูอย่างนี้เรลยนะเบื้องต้นได้โสดาเบื้องปลายก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราแต่มันเป็นตัวทุกเห็นแต่ทุกลุ้นล้วนนะสภาวะทั้งหลายนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกไม่มีอะไรดับไปเห็นอย่างนี้นะเรียกว่ารู้ทุกแจมแจ้งพอรู้ทุกแจ่มแจ้งละสมูทัยหมดเลยนะเหมือนอย่างที่โอเป็นรู้ทุกแจ้งแล้วมันละสมูทัยนะใจหมดความดิ้นรนความดิ้นรนของจิตมี3แบบอันหนึ่งดิ้นไปหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจนะ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 เรายิ่งแก่ยิ่งมีความสุขเพราะเราชั่วโมงบินเรามากขึ้นมากขึ้นเราฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยไม่ท้อถอยถ้าคนไหนมาฝึกเมื่อแก่ก็ไม่ต้องเสียใจนะดีกว่าไม่ฝึกเลยนะฝึกเมื่อแก่ก็ยังดีกว่าไม่ฝึกเลยนะสําหรับคนแก่นะหลวงพ่อบอกให้ไปดูพระมห ah ากัสสปะพระมห ah ากัสสปะออกบวชเมื่ออายุต้อง60นะ่เห็นไหมออกบวชเมื่ออายุ60สนะิปรากฏว่าท่านก็เป็นพระอราหันต์ชั้นเลิศนะเพราะฉะั้นถ้าเราแก่ไปแล้วนะ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 โกรธทั้งแม่ทั้งลูกเลยลูกทำไมร้องไม่หยุดสัที <laughs> <laughs> เหมือนเดิมครับแม่มันเป็นจุดที่เราไม่ได้ระวังคร <c oughs> ับจากคนอื่นคนไกลตัวนะเราจะระวังครับจากคนใกล้ตัวนะเราไม่ค่อยระวัง <c oughs> เพราะงั้นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมีจุดอ่อนคนใกล้ตัวเราเนี่ยสําคัญที่สุดเลย <c oughs> ถ้าค น, นใกล้ตัวเรามีปัญหานะเราจะมีปัญหามาก <c oughs> แต่เราไม่ถนอมคนใกล้ตัวนะโดยธรรมชาติเป็นอย่างนั <c oughs> ้นรู้สึกปลอดภัยครับ <c oughs>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 คือบง<ด>ังคับ<ด>ตัว<ด>เอง<ด>ไม่พอไปบังคับไปแทรกแซงคน<ช>อื่นใช่ตัวเองก็บังคับไม่ได้ใช่ไหมอย่างเราอยากไปบังคับคนอื่นเราห้ามมันไม่ได้นะแต่เราเที่ยวไปบังคับคนอื่นใช่ค <นะ S 1> ่ดีดีที่รู้ทันนะแล้วคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเพราะจะมีความสุขมากขึ้นคือก็ในความโง่ความชั่วนี้เราก็ได้เรียนรู้และเติบโตค่ะใช่ถูกต้องแล้วนะเหมือนปุ๋ยนะปุ๋ยทำมาจากของไม่สะอาดแอกแต่มีประโยชน์นะต้นไม้งอกงามดีดีค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 ต้องรู้แล้วก็มีความสุขมีความเบิกบานบางทีมันก็เบิกบานมากไปแบบไร้สาระแบบนี้ค่ะนั่นอนุเนะไปค่ะก็อยากจะขอการบ้านหลวงพ่อด้วยค่ะก็ฝึกของเรานะทุกวันแต่ว่าให้การบ้านพิเศษอย่างหนึ่งคือคุยน้อยๆนะอันตรายของคุณอยู่ที่การคุยนะเอาใครจะยกมือได้อาไปทางนี้เบอร์นี้สิเมื่อกี้ให้เขาไว้แล้วนี่เข้ามาข้างหน้าหน่อยมา